เจลิญพรทุกๆ ท, ท่านหลวงพ่อไม่นึกว่าโยมเยอะๆนะวันนี้วันทำงานตกเย็นก็เหนื่อยอยากกลับบ้านยังอุตส่าห์แวะมาฟังเทศการฟังธรรมเป็นการเพิ่มโอกาสในชีวิตเราไม่ใช่เรื่องเสียโอกาสบางคนคิดว่า ศึกษาธรรมะเสียโอกาสในชีวิตนะพวกาวัดพวกล้าหลังพวกอกหักรักสลายคนไม่เข้าใจธรรมะคิดว่าธรรมะเป็นของพวกตดถอยพวกอ่อนแอพ่ายแพ้ลงถ้าเราลองปฏิบัติ ด, ดูนะเราจะรู้เลยว่าคนอ่อนแอปฏิบัติไม่ได้หรอกเอาชนะคนอื่นนะไม่ยากนะ เอาชนะกิเลสของเราเองยากที่สุดเลยคนอ่อนแอทําไม่ได้หรอกแล้วธรรมะของพระเจ้าเนี่เป็นธรรมะของนักสู้ต้องพึ่งตัวเองด้วยพึ่งคนอื่นก็ไม่ได้พึ่งพระจงพระเจ้าอะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดงั้นคนอ่อนแอไม่ได้กินหรอกธรรมะของพระเจ้างั้นถ้าใครคิดว่า คนสนใจธรรมะเป็นพวกอ่อนแอนะพวกเข้าใจผิดแล้วไม่รู้จักธรรมะอะไรไมันจะยากถ้าเอาชนะใจตัวเองใจของเรานะถูกกิเลสครอบงำอยู่ตลอดเวลาขวา่าใจะเข้มแข็งนะเงื่ยหน้าปากได้พ้นอำนาจกิเลสได้แต่ละขั้นแต่ละตอนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทำไมเราจะต้องไปสู้กับกิเลส กิเลสเนี่ยเป็นตัวที่ย่ำยีจิตใจของเรานำความทุกข์มาให้พระพุทธเจ้าท่านสอนนะบอกว่ากิเลสเนี่ยมันหอมหวานในเบื้องต้นมันเผ็ดร้อนในเบื้องปลายมันไม่เหมือนธรรมะธรรมะมันเผ็ดร้อนในเบื้องต้นมันหอมหวานในเบื้องปลายกลับข้างกันเราไม่จะคิดว่าคนอื่นสิ่งอื่นเนี่ยสร้างปัญหาให้เรา ที่จริงกิเลสในใจของเรานะสร้างปัญหาให้เราเยอะเลยโลกไม่มีสันติภาพทั้วันนี้ก็เพราะกิเลสนะการเมืองเอารัฐเอาเปรียบกันก็เพราะกิเลสนะอะไรๆก็เพราะอำนาจของกิเลสนะต่กรที่เราจะไปแก้ที่คนอื่นนะแก้ยากน่ามาแก้ที่ตัวเราเองก่อนถ้าเราสามารถศึกษาปฏิบัติธรรมให้แจ่มแจ้งได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนะไม่ทุกข์หรอกเพราะว่าเราถอดทอนต้นต่อของความทุกข์ออกไปจากใจเราแลคือกิเลสนี่องกิเลสที่มันทําให้เรา น, รนิรนทนเล่าร้อนนะมันก็มีหลายตัวมีอวิชชาตัณหาอุปาทานนะกิเลสเล็กกิเลสน้อยโลภโกรดหลงอะไรพวกนั้นไปกิเลสตัวหลักๆตัวอวิชชาความไม่รู้ ไม่รู้ความจริงของชีวิตไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่เคยเห็นพรามันไม่สามารถรู้ได้นะใจนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ก็หลงรักในกายในใจว่าเป็นตัวเราของเรากายนี้เป็นตัวเราของเราพอร่างกายมันแก่ก็เป็นเราแกร่ร่างกายมันเจ็บก็เป็นเราเจ็บร่างกายมันตายก็เป็นเราตายหรือหลงรักจิตใจอยากให้จิตใจมีแต่ความสุข ดิ้นรนหาอารมณ์ต่างๆมาตอบสนองความต้องการทางใจหวังว่าใจจะมีความสุขรักในจิตใจตัวเองมากเราเที่ยววิ่งหารูปเที่ยวไปดูไปทัศนาจรไปอะไรนะไปดูไปฟังไปดมกลิน่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกสนุกสนานทางใจหวังว่าจะมีความสุขถ้าปฏิบัติเป็นรู้เลยว่าตัวจิตมนเป็นตัวทุกข์ มันสุกไปไม่ได้ร่างกายนี้ก็เป็นตัวทุกข์มันสุขไปไม่ได้หรอกนะถ้ารู้ตัวได้แจ้งนะหมดความยึดถือในกายในใจเนี่ยที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตรงนี้เองจิตมันจะถอนตัวออกสลัดตัวออกจากโลกโลกก็อยู่ส่วนโลกนี่จิตมันไม่เข้าไปคลุกกับโลกล้จิตกกะจะทำเป็นอันเดียวกันนะเป็นสภาวะที่มีความสุขที่สุดนะไม่มีอะไรเหมือน ความสุขที่พวกเรารู้จักเนี่ยเป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลาอย่างเรามีความสุขนะถ้าเราได้อยู่กับคนคนนี้ถึงจะมีความสุขถ้าเราพลัดพรากจากคนนี้เราไม่มีความสุขเราต้องเป็นอย่างนี้มีตําแหน่งอย่างนี้มีทรัพย์สินอย่างนี้นะมีชื่อเสียงเกียรติยศอย่างนี้ต้องมีถ้าสิ่งที่มีหายไปก็ไม่มีความสุขแล้นี่ความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่น ยังมีความสุขเพราะอาศัยนะว่าได้อยู่กับคนคนนี้อะไรเงี้ยถ้าคนคนนี้เขาเปลี่ยนใจไปเราก็มีความทุกขนะ์ความสุขที่อาศัยคนอื่นนะไม่อิสระเราต้องคอยเอาใจเขานะหรือเรามีรถยนต์แพงๆยี่ห้อดังๆนะมีความสุขเราก็ต้องคอยเอาใจรถยนต์นะกลัวมันหายคอยดูแลมันเป็นทาสมันบางคนใครมาแตะไม่ได้นะ อุตส่าห์อาบน้ำให้รถด้วยตัวเองนะพวกเราใครล้างรถเป็นบ้างมีไหมก็มีหลายคนเคยอาบน้ำให้พ่อแม่ไหมไม่เคยเคืออาบให้รถเนาะบัน <c oughs> ทีอาบให้หมา <c oughs> เป็นหมานะเรารักหมานี่มีหมารักหมาก็เป็นธาตุหมานะเนี่ยอะไรที่เราเข้าไปปลกพันไปยึดถือนะ เราก็ตกเป็นทาตมันทุกอย่างไปเลี้ยงหมานะเอาใจหมาเป็นทาตหมาทุกอย่างมีแฟนก็ต้องเอาใจแฟนเห็นเนี่ยความสุขของโลกนะที่คนเขารู้จักนะเป็นความสุขที่ไม่อิสระถ้าเราได้เข้าใจการปฏิบัติธรรมเราภาวนาศึกษาปฏิบัติไปใจเราไม่ยึดถือไม่ยึดถือในกายไม่ยึดถือในใจไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกเราจะเป็นอิสระ เคยได้ยินไหมบอกที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกคนทั่วๆไปเข้าใจไม่ถึงนะเข้าใจไม่ได้แล้วทำไมมีรักแล้วมีทุกก็ต้องพลัดพรากจากที่รักหรงอจะทุกข์ใช่ไหมไม่ได้อย่างที่รักหรงอจะทุกข์นะทำไมมีรักก็มีทุกข์เรารักใคร่ผูกพันสิ่งใดนะเราเสียอิสระภาพเพราะสิ่งนั้นทุกทีทุกนะมีแฟนก็ทุกนะต้องคอยเอาใจคเขามีลูกก็ทุกนะรักอะไรก็ทุกพร่านนั้น่ะ แล้วสิ่งที่เรารักมากที่สุดก็คือใครเรารักตัวเราเองงั้นเรารักตัวเราเองเนี่ยเราก็มีภาระทางจิตใจนะมหาศาลเลยเพราะเรารักมันร่างกายนี้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเราต้องปลนิบัติมันตั้งเท่าไหร่วันหนึ่งวันหนึ่งเอาแค่หัวเราแค่ผมเรานาะมีภาระกิจอะไรกับผมบ้าง ตั้งแต่ตัดผมใช่ไไปตัดผมไปดัดผมไปซอยผมไปโกบผมไปย้อมผมไปสระผมเยอะแ ย, ยะเลยตั้งแต่หัวถุงเท้านะเป็นไปด้วยภาระเนี่ยเรารักมากพอเราแก่ร่างกายมันแก่เราทดไม่ได้กลุ้มใจไม่อยากแก่ร่างกายมันเจ็บากลุ้มใจไม่อยากเจ็บร่างกายจะตาย รู้ใจไม่อยากตายเพราะเรารักมันถ้ามาดูความจริงร่างกายจิตใจนี้มันเป็นยังไงดูของจริงไม่ใช่คิดเอาเองคนทั่วๆไปเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้กายรู้ใจตัวเองได้ไม่สามารถเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองได้คนทั่วๆไปเพราะทั้งวันเนี่ยมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจ ตั้งแต่ตื่นนอนนะเรารู้สึกในร่างกายเรากี่ครั้งเรารู้สึกในจิตใจเราได้กี่ครั้งถ้าคนไม่เคยปฏิบัตินะมันจะไม่รู้สึกเลยจะรู้สึกแต่สิ่งข้างนอกสนใจแต่ของข้างนอกสนใจแต่สิ่งข้างนอกอย่างเราขับรถไปถูกเขาปาดหน้าเราจะสนใจไอ้คนที่ปาดเราเราจะไปดูมันจะเอาคืนอเงี้ยเราไม่ดูว่าใจกาลังโกรธอยู่เนีย่ยเราละเลยไม่ดูตัวเอง เห็นคนสวยๆนะเรารักเขาเราชอบเขาเห็นว่าสวยถูกใจเราก็ไปดูเขาเราไม่ดูใจของเราเ่รากกาลังชอบเขาเนี่ยเราลืมตัวเราเองตลอดเลยนะนคนทั่วๆไปเนี่ยนะใจมันจะไปอยู่ข้างนอกไปสนใจแต่สิ่งภายนอกนะสนใจรูปที่มองเห็นสนใจเสียงที่ได้ยินสนใจกลิ่นที่ได้กลิ่นนะสนใจรสที่ไปรู้เขานะ้า เรากินข้าว อ, นนอร่อยๆใช่ไหมใจเราไปอยู่ที่อาหารอยู่ในรสสนใจสิ่งที่มากระทบร่างกายเราสนใจเรื่องราวที่คิดแต่เราไม่สนใจร่างกายจิตใจของเราเองมีร่างกายเราก็ลืมร่างกายมีจิตใจเราก็ลืมจิตใจของตัวเองเราก็เที่ยวเที่ยวดิ้นรนหาความสุขไปเรื่อยๆความสุขของเราเนี่ยเป็นความสุขที่ได้ดูได้ยินได้กลิน่นได้รสได้สัมผัสอะไร หรือเป็นความสุขที่เกิดจากการคิดคิดเอาเราไม่เคยรู้เลยว่าความสุขอันมหาศาลเนี่ยมันอยู่จากการที่เราคอยรู้กายรู้ใจตัวเราเองนี่นะเรากลับไปทิ้งกายทิ้งใจของตัวเองบางคนก็ชอบเข้าวัดนะเที่ยวเข้าวัดไปเรื่อยนะทำบุญใส่บาตรนั่งภาวนาเคลิมเคลิมหรือเที่ยวเห็นโน่นเห็นนี่ไปไม่สนใจร่างกายจิตใจของตัวเองคิดว่าธรรมะเนี่ยอยู่ที่อื่น ธรรมะอยู่ที่วัดธรรมะอยู่ที่ครูบาอาจารย์อไย่างเงี้ยมไม่รู้เลยว่าธรรมะอยู่ที่กายกับใจของเรานะเพราะฉ้พวกเราแทนที่จะลืมกายลืมใจทั้งวันนะเราคอยย้อนกลับมารู้สึกกายรู้สึกใจไว้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะรู้สึกถึงความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นในใจอย่างร่างกายของเราขณะนี้นั่งอยู่ แต่เราลืมมันสังเกตไหมตอนที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยนะนั่งอยู่ก็ลืมไปแล้วว่าร่างกายเนี่ยนั่งอยู่ร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้ามันก็หายใจออกหายใจเข้าทั้งวันแต่เราลืมมันเรามัวแต่ไปคิดเรามัวแต่ไปดูมัวแต่ไปฟังมัวสนใจแต่สิ่งอื่นเราไม่สนใจในร่างกายของเราจิตใจของเรานี้ก็เหมือนกันมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉย เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงทุกคนรู้จักหมดเลยนะความสุขเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความทุกข์เป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เป็นยังไงก็รู้จักโลภโกรธหลงเป็นยังไงทุกคนรู้จักแต่ไม่สนใจที่จะรู้ว่าตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นในใจของเรา ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในร่างกายเราไม่สนใจเราสนใจของข้างนอกไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเราไม่สนใจเราสนใจแต่ของข้างนอกเนี่ยเราล้าเลยโอกาสที่จะพ้นทุกนะเพราะเราไม่รู้ว่าการที่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะด้วยจิตที่ตั้งมัน่นด้วยจิตที่เป็นกลางจิตที่ถอดถอนตัวเองเออกมาเป็นคนดูนะเป็นทางพัฒนาความรู้แจ้ง หรือแจ้งเห็นจริงเลยกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เมื่อเราลืมกายลืมใจไปแล้วเราจะมารู้ความจริงของกายของใจไม่ได้เพราะเราลืมกายลืมใจไปแล้วยังต่อไปนี้พวกเราอย่าลืมกายลืมใจนานนะถ้าลืมก็ลืมประเดี๋ยวเดียวอย่าลืมนานร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนตลอดเวลาเลย เราคอยรู้สึกแค่รู้สึกนะอย่าไปแทรกแซงอย่าไปบังคับมันร่างกายเป็นยังไงคอยรู้สึกจิตใจเป็นยังไงเราคอยรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆนะไม่บังคับนะถ้าเมื่อไรเราลืมกายลืมใจนะมันก็เรียกว่าย่อหย่อนในการปฏิบัติเนะมื่อไรเราไปบังคับกายบังคับใจนะเรียกว่าตึงเกินไปสำหรับการปฏิบัติ น, ะนักปฏิบัติต้องไม่ให้สุดโตง่ง2ฝั่ง ส่วนตรงข้างหย่อนเกินไปก็คือลืมกายลืมใจสุดตรงข้างตึงเกินไปก็คือบังคับกายบังคับใจคน ท, ทั่วไปที่ไม่ได้ปฏิบัตินะมันจะลืมกายลืมใจทั้งวันส่วนคนที่ปฏิบัติเนะี่ยส่วนใหญ่แบบปฏิบัติไม่เป็นหรอกจะบังคับกายบังคับใจเวลาที่เราคิดถึงการเดินจงกลมสังเกตไหมทุกก้าวที่เราเดินเราสามารถเดินจงกรมได้หมดเลยถ้าเรามีสติเห็นร่างกายมันเดินใจเป็งแค่คนดู แต่เราก็ไม่คิดว่าแค่นั้นคือการเดินจงกรมจะเดินจงกรมต้องมีกระบวนท่ามือต้องวางอย่างนี้เท้าต้องยกแค่นี้นะก้าวแต่ละก้าวต้องยาวแค่นี้อนะไรเนียแล้วคิดอะไรที่มาขับตัวเองตลอดเวลาหรือเราจะนั่งสมาธิพวกเราลองนั่งสมาธินะหลวงพ่อให้เวลาครึ่งนาทีลองนั่งสมาธินะลองดู สังเกตดูนะส่วนใหญ่เลยบังคับกายก่อนเห็นหมเปลี่ยนท่านั่งแล้วเห็นหแต่เดิมนั่งกันสบายๆพอบอกให้นั่งสมาธิเห็นหมมือขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทั บ, ม, ทบมือซ้ายนี่ตั้งท่าลเห็นมจริงสมาธิไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่านะสมาธิไม่อยู่ที่จิตจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวหรือเปล่าแต่ ท, ทันทีที่เราคิดถึงการนั่งสมาธินะเราก็ต้องปรับกระบวนท่าบังคับร่างกายก่อน เสร็จแล้วเราก็บังคับใจของเราเราก็น้อมใจให้นิ่งๆสังเกตไหมว่ามีการดัดแปลงจิตใจนะตรงนี้แหละที่ทําให้เราสุดตกไปข้างบังคับตัวเองนะพอละนะเลิกนั่งได้ละนั่งนานจะยิ่งตึงไปเรื่อยๆนะเพรานั่งไม่เป็นนะสิ่งที่ผิดมี2องงานเท่านั้นเองถ้าไม่ผิดเมื่อไหร่ก็ถูกเองแหละเราเรียนรู้สิ่งที่ผิดนะในการปฏิบตัติมี2 อ, อย่างเองหย่อนไปก็ตึงไป ย่นไปก็คือลืมกายลืมใจเวลาที่เราหลงไปคิดนะเราลืมกายลืมใจทันทีเลยงั้นเราอย่าลืมนานลืมประเดี๋ยวประดาไดนะ้อย่าลืมนานค่อยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆอีกอันหนึ่งที่ผิดก็คือตึงเกินไปบังคับกายบังคับใจทันทีที่คิดถึงการปฏิบัตินะบังคับทันทีเลยบังคับทั้งร่างกายบังคับทั้งจิตใจอย่างบอกให้รู้ลมหายใจนะ หายใจมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมสบายๆหายใจมาสบายๆตั้งแต่เกิดหายใจได้พอไปกำหนดลมหายใจนะอึดอัดเลยเพราอะไรไปแทรกแซงการหายใจของตัวเองเดินชอปปิ้งทั้งหลายชั่วโมงเดินได้ใช่ไหมเดินจงกรมสิบหนาทีจะยอกไปทั้งตัวแล้วเพราะเกรงอ่ะเนี่ยบังคับตัวเองนะการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องลืมตัวเองแล้วก็ไม่ใช่เรื่องบังคับตัวเองการปฏิบัติเป็นแค่รู้สึกตัวเอง แค่รู like oriented, Now, magic, the the ้สึกตัวเองรู้สึกว่าอะไรรู้สึกเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันยืนเห็นร่างกายมันเดินเห็นร่างกายมันนอนเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันหยุดนิ่งเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าใครเป็นคนเห็นใจเราเป็นคนเห็นค่อยๆฝึกไปร่างกายมันนั่งตอนนี้ทุกคนรู้ไหมว่าร่างกายมันนั่งอยู่ถ้าไม่ใจลอยนะก็จะรู้ว่าร่างกายมันนั่งแต่ตอนที่รู้ว่าร่างกายนั่งเนี่ยจะเริ่มเพ่ง วิธีดูว่าเราเพ่งหรือไม่เพ่งนะง่ายๆนิดเดียวเลยถ้าใจเรารู้สึกอึดอัดขึ้นมานะใจเราหนักๆขึ้นมานะแสดงว่าเพ่งแล้วถ้าใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เพ่งนะเส็นทางสายกลางใจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้คือผู้ไม่หลงนะใจมันจะตื่นขึ้นมาใจมันเบิกบานนะแต่ถ้าหลงไปก็ไม่ใช่ผู้รู้ก็เป็นผู้หลงนะเวลาเราไปเพ่งไวเราก็ไม่เบิกบานเรืจะอึดอัด เพรนถ้าเราลงมือปฏิบัติแล้วอ่ดอัดนะเลิกซะก่อนอยา่าขยันทำผิดแล้วอยาขยันการดูกายการดูใจเนี่ยง่ายที่สุดเลยนะแค่รู้สึกร่างกายตอนนี้มันเป็นยังไงแค่รู้สึกอย่าไปดัดแปลงมันจิตใจเราเป็นยังไงก็แค่รู้สึกอย่าไปดัดแปลงมันจิตใจของเราจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่าไปทาให้มันนิ่งนะดูความเปลี่ยนแปลงของมันไป จิตใจเดี๋ยวก็สุขจิตใจเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเดี๋ยวก็ดีจิตใจเดียดเด๋ยวก็ร้ายนะเนี่ยเฝ้าดูอย่างนี้นะจะเรียกว่าการเจริญปัญญาไม่เหมือนการทําสมถะการทําสมถะก็น้อมจิตให้นิ่งเอาไว้พักผ่อนนะแต่ถ้าจะเราต้องการเดินปัญญาให้เห็นความจริงของกายของใจอย่าไปบังคับกายอย่าไปบังคับใจอย่าลืมกายอย่าลืมใจก็คแค่นั้นเองเอาแค่รู้สึกกายแค่รู้สึกใจนะวิธีที่จะฝึกให้มันรู้สึกได้บ่อยๆนะ เบื้องต้นเราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งจะพุโทโธก็ได้จะหายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้กรรมฐานอะไรก็ได้เหมือนกันหมดอะแล้วเราค่อยรู้ทันเวลามันเผลอไปแล้วก็ค่อยรู้ทันเวลามันเข้าไปจ้องเข้าไปเพ่งเข้าไปบังคับเช่นเรารู้ลมหายใจหายใจไปสบายๆจิตจะสงบก็หายใจจิตจะฟุ้งซ่านก็หายใจไม่ใช่หายใจเอาสงบนะ ถ้าทำสมถะกรรมฐานทำความสงบก็าหายใจเพื่อให้สงบให้จิตเป็นนิ่งอยู่ที่ลมหายใจแต่ถ้าต้องการเจริญปัญญานะหายใจไปสบายๆนี่แหละหายใจแล้วก็คอยรู้ทันไปใจเราไหลไปพอหายใจไปสักพักนะใจจะหนีไปคิดให้เรารู้ว่าหนีไปคิดอันนี้หย่อนเกินไปอีกพวกหนึ่งหายใจไปจิตก็ถลำลงไปเพ่งที่ลมหายใจจิตจะทื่อๆแข็งๆนิ่งๆอันนี้ตึงเกินไป มันผิดอยู่สองทางพวกเราลองนั่งแล้วรู้ลมหายใจสิลองดูว่าเดี๋ยวจะตอบหลวงพ่อว่าใครตึงไปใครหย่อนไปถ้าหย่อนไปนะจะหายใจแล้ ว, วก็เพลินไปหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมร่างกายถ้าตึงไปนะหายใจแล้วก็ใจจะแข็งแข็งเครียดเครียดใจจะไปจ้องอยู่ที่ร่างกายเราลองดูซิว่าถ้าเรารู้ลมหายใจแล้วเราจะตึงไปหรือเราจะหย่อนไปนะให้เวลาครึ่งนาทีหายใจไป อ้าวแล้วพอลืมตาขึ้นมาใครรู้สึกซึมซึมบ้างใครรู้สึกยกมือซิซึมๆมเนี่ยคือพวกเข้าไปเพ่งพวกตึงเกินไปไปบังคับตัวเองจะซึมนั่งไปมากมาล้พวพอออกมามอย่างเงี้ยะติดออกมานะไอ้เนี่ยตึงเกินไปนะอีกพวกหนึ่งลืมตาขึ้นมาไอ้พวกที่หย่อนไป เมื่อกี้ตอนที่นั่งตะเกียใครหนีไปคิดอุตรลุดเลยบ้างยกมือสิยกมือยกมือใครไปจ้องเาไว้แล้วก็แข็งแข็งทื่อๆขึ้นมานพวกฟุ้งเยอะกว่าพวกพวกคนทั่วๆไปนจิตจะฟุ้งทั้งวันส่วนพวกที่ชอบปฏิบัติชอบเพ่งอ่ะนี้จะตึงเกินไป ครั้งหนึ่งนะมีเทวดาองค์หนึ่งเทวดาเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เทวดานี้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าคล้ายๆจะไปแลกเปลี่ยนความรู้นะไม่ได้ไปเรียนนะถือว่ากูก็แน่เหมือนกันไปถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอหคือข้ามกิเลสได้อย่างไรพระพุทธเจ้าตอบว่าดูก่อนเทวดาเราข้ามกิเลสได้นะเพราะเราไม่พักอยู่และเราไม่เพียรอยู่ เราไม่พักนะพักผ่อนอแล้วเราก็ไม่เพียนอยู่ไม่มีความเพียนเนี่ยเราข้ามกิเลสมาด้วยวิธีนี้เทวดาที่ว่าเป็นพระอรหันต์นะฟังแล้วงงเลยฮะไม่พักไม่พักก็พอรู้เรื่องใช่ไหมยขยันภาวนาขยันเดินจงกรมไม่พักเลยขยันมากแต่ตรงที่ไม่เพียนเนี่ยทำไมเราบัตลุได้ด้วยเทวดาก็ทูลพระพุทธเจ้าหมดทิฏฐิมานะเลยนะรู้แล้วตัวเองไม่มีความรู้จริง ก็เลยตวนถามบอกว่าให้พระองค์ช่วยขยายความหน่อยไม่เข้าใจที่ว่าข้ามกิเลสได้โดยไม่พักและไม่เพียรเนพระเจ้าท่านขยายความให้มันบอกดูก่อนเทวดาถ้าเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเราเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นเราไม่พักเราไม่เพียร น, นะเราข้ามพ้นกิเลส ด, ด้วยวิธีนี้เทวดาได้พระโสดาบันเนี่ยพวกเราได้ยังฟังเหมือนเลยนะฟังแบบที่เทวดาฟัง <c oughs> ถ้ายัางไม่ได้ต้องขยายความอีกนะเผื่อจะได้นะคำว่าพักอยู่ก็คือการปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปวันหนึ่งวันหนึ่งหลงโลกไปหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจคือลืมตัวเองลืมกายลืมใจท่านบอกว่าถ้าพักอยู่อนี้จะจมลงหมายถึงไงจิตเนี่ยจะเลวลงเรื่อยเรเพราะว่าเราปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไป กิเลสนี่มันตัวร้ายนะถ้าเราตามใจมันเมื่อไหร่นะเราจะจมลงนะคือจิตใจเราจะเลวลงเรื่อยๆคำว่าเพียนอยู่เนี่ยนะแล้วก็ลอยขึ้นถึงว่าพวกนักปฏิบัติเนี่ยชอบเพียนบังคับกายบังคับใจนะจะลอยขึ้นไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมได้นะแต่ไม่นิพพานนะเป็นเทวดาเป็นพรหมได้ไม่นิพพานเนาะควบคุมร่างกายได้ควบคุมจิตใจได้พวกฤาษีบางคนนะ หรือสีบางคนใช่อดข้าวได้นานๆใช่หหรือกลั้นลมหายใจได้นานๆไม่ตายมันหายใจทางผิวหนังได้เนี่ยมันบังคับได้มควบคุมตัวเองได้นึกว่ากูเก่งกูเก่งนะพวกนี้จะลอยขึ้นพือไปเป็นเทวดาไปเป็นพลมแต่ไม่ไปนิพพานพระพุทธเจ้าท่านเดินในทางสายกลางไม่พักคือไม่หลงตามกิเลสไม่ลืมกายลืมใจ ในขณะเดียวกันไม่เพียนคือบังคับกายบังคับใจงนะั้นเราคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไว้ทางสายกลางเนี่ยคือรู้สึกกายรู้สึกใจไวนะ้ร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวมันก็จะเริ่มเห็นว่าร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรอกนะจิตใจนี่ก็เหมือนกันนะเราคอยรู้สึกอยู่เราก็เห็นเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้าย จิตใจนี่เป็นของที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่สุดเลยนะร่างกายเรายังเปลี่ยนแปลงไม่ได้เร็วเท่าจิตใจจิตใจเราเปลี่ยนเร็วมากเลยเปลี่ยนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะอย่างเราขับรถกลับบ้านเนี่ยขับขับรถอยู่เราเห็นไฟเขียวไปใจเราเปลี่ยนละลุ้นว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านใครเคยลุ้นไหม เห็นไฟเขียวต้องลุ้นทุกคนตอนสมัยหลวงพ่อขับรถตอนเป็นโยมนะไม่ใช่พระไปขับรถ น, นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวที่คนจะบอกเนี่ยหลวงพ่อประมอไปขับรถพระพูดเองเลยมีเสียงเป็นหลักถาม <c oughs> ตอนเป็นโยมขับรถนะเห็นไฟเขียวนะมันมีลุ้นนะว่าจะได้ไม่ไดนะ้ติดไฟแดงจิตใจที่นะลุ้นเนี่ยไม่เลิกไม่ลุ้นแล้ใช่ไหมเปลี่ยนจากการลุ้นมาเป็นการสิงแทนลุ้นกับเสิงไม่เหมือนกันใช่ไหม ใจมันเปลี่ยนนะเปลี่ยนเร็วมากเลยแล้วติดไฟแดงแต่ละจุดเนี่ยความรู้สึกไม่เท่ากันติดไฟแดงที่เจ็บช้ำที่สุดคือติดคันที่หนึ่งใช่ไหมถ้าติดคันที่สิบคันที่อะไรเนี่ยเฉยๆยอนะมรับง่ายล้วติดคันที่หนึ่งเนี่ยเจ็บใจที่สุดเลยทำไมเมื่อกี้โง่ไม่เหยียบอีกทีนึง <laughs> <laughs> เนี่ยแค่นี้เราก็ปฏิบัติได้นะอย่านึกว่าการปฏิบัติต้องไปอยู่วัดนะ อย่าคิดว่าการปฏิบัติต้องไปเข้าคอสเสียเงินเสียทองเสียเวล่ำเวลาอยู่บนถนน น, นี่แหละก็ปฏิบัติได้นะเห็นไฟแดงความรู้สึกเป็นยังไงรู้ความรู้สึกของตัวเองเห็นไฟเขียวความรู้สึกเป็นยังไงรูู้ความรู้สึกของตัวเองเวลาไฟเขียวดีใจไหมไม่แน่ถ้าไอ้ข้างหน้าเราอึดอาดเคยเจอไหมไเขียวแล้ว <c oughs> โมโ ห, โหเลยใช่ไหม แทนที่จะดีใจไฟเขียวมึงโอ้โหอี้นี่มึงทำไมไม่ไปที่แท้มันเหนื่อยมากนะมันนั่งหลับไปแล้วเรอให้จรจรมาเคาะให้ตื่นตื่นที่มาไฟแดงพอดีเลยเลยหลับต่ออีกเนี่ยง่ายๆการปฏิบัตินะแค่ไฟเขียวไฟแดงเนี่ยนะเรารู้ทันความรู้สึกของเราคนทั่วทั่วไปมันละเลยที่จะรู้ความรู้สึกของตัวเอง ร่างกายเคลื่อนไหวก็าละาเลยที่จะรู้จิตใจเคลื่อนไหวก็ละเลยที่จะรู้เวลากินข้าวปฏิบัติได้นะเวลาเราเห็นอาหารที่ชอบใจใจมันชอบใช่ไหมมันดีใจรู้ว่าดีใจวันนี้เจอแต่ของไม่ชอบเลยหงุดหงิดนะบางคนเป็นพวกตะกละนะเห็นของไม่ชอบนะั่งหงุดหงิดนะแต่บางคนตะกลามากนะเห็นอะไรชอบหมดเลย <laughs> <laughs> นะพวกนี้พวกมีบุญ น, นะนะ พวกที่เจออารมณ์ที่ชอบใจเนี่ยบุญให้ผลมาเนี่ยมีกุศลวิบากเจอของชอบใจนะพวกที่เจอของไม่ชอบใจเนี่ยเรียก อ, อกุศลวิบากให้ผลมาไอพวกที่ตะกล้าจริงๆนะบุญให้ผลตลอดเลยเจออะไรมันก็อร่อยไปหมดนะเ อ, อ <c oughs> นี่ยเราคอยรู้ทันใจของเราเนะีเจอของอร่อยพอใจเจอของไม่อร่อยไม่พอใจเห็นไหมตามองเห็นอย่างตาเห็นไฟเขียวความรู้สึกงนี้ตาเห็นไฟแดงความรู้สึกองนี้ ตาเห็นสาวสวยความรู้สึกนี้นะอย่างเราเดินชมดอกไม้ชมดอกไม้สวยๆในสวนสาธารณะเดินไปเดินไปแล้วกําลังสบายใจแล้วพีเหยียบขี้หมาความรู้สึกเราเปลี่ยนทันทีเลยใช่ไหมหรื อ, อยังชื่นใจอยู่ <c oughs> อ <c oughs> ชอบเสมอกันระหว่างกลิ่นหอมกับเหม็นเสมอกันนะอย่างนั้นเหรอไม่เป็นหรอกนอยากอยากโูหกตัวเองรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไป ตาเห็นรูปความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทันพอได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทันนะอย่างบางทีเราเดินเดินอยู่ได้ยินคนตะโกนมาข้างหลังเราไอ้บ้าโกรธได้ไหมหันไปโอ้ oh, เพื่อนรักเรามันทักทายด้วยความรักนีนะ่แทนที่จะโกรธนะจากโกรธนะเปลี่ยนเป็นดีใจนะมันเปลี่ยนไดนะ้นี่เราคอยสังเกตนะ อย่างบางทีเราอยากจะทํางานเร็วๆไม่อยากรับโทรศัพท์พอเสียงโทรศัพท์มาหงุดหงิดนะเวลาที่เรากําลังลุ้นรอแฟนจะโทรมาหาเราได้ยินเสียงโทรศัพท์ดีใจใช่ไหมพอรับปุ๊เป็นคนอื่นเนี้ยหงุดหงิดละเนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนอย่างได้กลิ่นหอมชอบใจได้กลิ่นเหม็นไม่ชอบใจอะไรเงี้ยนะ บางคนได้กลิ่นหอมก็ไม่ชอบนะอย่างเวลาเราไปงานศพเขาเอาน้ําอบไปรถใช่ไหมน้ำอบถ้าเราไม่เคยไปงานศพได้กลิ่นน้ําอบอาจจะหอมนะเขเห็นเขาเอาน้ํำอบไปรถศพนะพอได้กลิ่นน้ําอบนะไม่ชอบใจเลยคิดว่าผีมาเยี่ยมนะอย่างเงี้ยใจมันเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนหรือเราอยู่บ้านเราได้กลิ่นอะไรเน่าๆนะเรากังวลใจว่าตัวอะไรมาตายในบ้านเรา แต่ถ้าเราไปอยู่ที่มืดมืดได้กลิ่นเน่าเน่นะเรากลัวผนะีความรู้สึกไม่เหมือนกันไม่ใช่กังวลใจแต่กลายเป็นกลัวเนะี่ยความรู้สึกทุกชนิดเนี่ยเรารู้ได้อยู่แล้วหรือเวลาที่ใจเราคิดเราคิดไปเรื่องนี้มีความสุขคิดไปเรื่องนี้มีความทุกข์ถ้าไปสังเกตให้ดีสุขทุกข์ทางใจนีตามหลังความคิดมานะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันต้องคิดซะหน่อยนะหรือกิเลสทั้งหลายโลภโกรธหลงทั้งหลายนะตามหลังความคิดมาเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเราเคยรู้ทันใจมันไปคิดแล้วความรู้สึกมันเปลี่ยนเรารู้ยังคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์บางคนคิดเรื่องเศร้าๆแล้วมีความสุขเคยเป็นไหมพวกสวมวิญญาณนางเอกอะคิดอะไรเศร้าๆแสบๆเจ็บๆนะแล้วก็มีความสุขนะพวกนี้เสี่ยงกับการตกนรกนะเพราะว่าชอบทำใจให้เศร้าพวกเราใครเคยแกล้งทำใจเศร้าๆบ้างมีไหมยกมือซิผู้ชายก็มีนะ ใช่จริงๆผู้เป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงนะโดยเฉพาะในยุคของเราเนี้ยผู้หญิงกับผู้ชายแยกกันยากมากเลยอ <c oughs> ยากมากเลยนะผู้หญิงก็เข้มแข็งเหลือเกินนะผู้ชายก็อ่อนหวานเหลือเกินในยุคนี้บางทีผู้ชายก็ทําใจเศร้าๆสาวเ้าทิ้งเราแล้วนะอะไรเงี้ยนะแต่เติมผู้หญิงจะชอบทำวิญญาณนางเอกส่วนวิญญาณนางเอกเศร้า ๆ, ๆคิดไปแล้วถามว่ามีสุขหรือทุกข์มีความสุขนะ พวกนี้มาโซค ส, สหน่อยๆนะคิดอะไรเจ็บปวดแล้วก็มีความสุขได้เนี่ยใจของเรานะี่พลิกแปลงที่สุดเลยคอยรู้ไปคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพื่อจะบังคับไม่ใช่เพื่อเอาดีไม่ใช่เพื่อเอาสุขไม่ใช่เพื่อเอาสงบเพราะอะไรเพราะความดีไม่เที่ยงความสุขไม่เที่ยงความสงบไม่เที่ยงถ้าเราต้องการพ้นทุกข์จริงๆ เรามาดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่เพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบนะอย่างเรานั่งหายใจออกหายใจเข้าเพื่อจะได้เห็นความจริงของร่างกายเพื่อจะได้เห็นความจริงของจิตใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้ไม่ใช่นั่งไปเพื่อเอาความสุขเอาความสงบเอาความดีอะไรทั้งสิ้นนะถ้าเรานั่งเอาทำสมถกรรมฐานนะอันนั้นนะมุ่งเอาดีเอาสุขเอาสงบ แต่ถ้าจะเอาปัญญาเพื่อความพ้นทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้มุ่งเอาเดียวสุขเอาสงบนะเพราะดีก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้แต่เราจะดูเห็นเลยร่างกายนี้นะมีแต่ความแปรปรวนนะเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวเขาหายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนนั่งก็นั่งขยับไปขยับมานะไม่ได้นั่งนิ่งๆหรอกนั่งกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกตลอดเวลากลางคืนนอนก็นอนพลิกไปพลิกมา มีใครนอนแล้วไม่พลิกเลยไหมพวกเป็นอัมพาตไงนอนแล้วไม่พลิกอะ่ะพลิกไม่ได้ถามว่ามีความสุขหรือความทุกข์อ่ะมีความทุกข์ใช่ไหมทําไมเราต้องพลิกตัวตอนเรานอนอยังคืนเพราะมันทุกข์นะร่างกายมันเมื่อยมันถึงต้องพลิกเนะนี่ยคนทั่วๆไปนะมันละเลยที่จะรู้สึกในร่างกายของตัวเองนะไม่รู้เลยว่าร่างกายเนี้ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเราจะเห็นเ่ยร่างกายนี้ถูกความทุ ก, กข์บีบคั้นตลอดเวลานั่งนานๆก็เมื่อยนะยืนนานๆก็เมื่อยนอนนานๆก็เมื่อยนะหายใจออกหายใจเข้าก็ทุกข์นะลองหายใจเข้าสิหายใจเข้าไปเรื่อยๆอย่าหายใจออกนะทุกข์ไหมยังไม่ทันอะไรเลยถอดใจล้ยอมแพ้แล้วหายใจออกสิหายใจออกเรื่อยๆแล้วทุกข์ไหมทุกข์ไหมเราหายใจออกเราก็ทุกข์เราก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์ หายใจเข้าแล้วก็ทุกนะก็าหายใจออกแก้ทุกเนี่ยความทุกมันบีบเราอยู่บีบคั้นร่างกายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยเราไม่เคยเห็นนะต่อไปนี้เราคอยรู้สึกนะถ้าจะดู ก, กายมัีเจริญปัญญาโ ด, ดยการดูกายนะเห็นได้ร่างกายนี้ถูกความทุกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งก็ทุกเดินก็ทุกนอนก็ทุกใครที่นั่งอยู่ในห้องนี้แล้วยังไม่ได้เก่าบ้างมีไหม ถ้านั่งอยู่ที่หลวงพ่อจะดูเกากันยุกยิบแทบตลอดเวลาหลวงพ่อเลยค่อนข้างเชื่อนะว่ามั น, นพัฒนามาจากหลิงนะมันนั่งไม่นิ่งหรอกนิดๆหน่อยๆทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแหละเนี่ยเอาละ เ, เอาสัหน่อยทำไมต้องขยับต้องเกาต้องอะไรว่ามันทุกข์นะใช่ไหมต่อไปนี้นะ่าคอยรู้สึกถ้าใจลอยไป ไม่ได้เรื่องเลยถ้าไปนั่งเพ่งอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยรู้สึกอย่างที่มันเป็นเนี่ยเราจะเห็นในร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามาดูจิตใจบ้างนะเราไม่ลืมตัวใจลอยไปแล้วค่อยรู้สึกแล้วเราไม่เพ่งจิตให้นิ่งนะปล่อยให้จิตมันทํางานไปตามธรรมชาติธรรมดาแล้วจะเห็นในจิตใจไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหมุนเวียนตลอดเวลาความรู้สึกของเราเปลี่ยนขณะที่ฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปหลาย10ครั้งแล้วนึกออกไหม หลวงพ่อพูดอะไรที่ขำๆหน่อยเพราะว่ามันเย็นแล้วง่วงไงต้องพูดให้ขำหน่อยจะได้มีกําลังฟังต่อตอนที้ฟังขำๆนะใจก็ร่าเริงเห็นไหมตอนฟังธรรมะแท้ๆใจก็ชั่งอุเบกขานะีนึ่งถ้าขามากกว่านี้จะหลับไปเลยนะเพราะเหนื่อยเต็มทีแล้วเนี่ยใจของเราเปลี่ยนตลอดเวลาเห็นไ้มขนาดนี้ดูมีความสุขเห็นไหมกด็ดีกระด่าลองดูสิเดี๋ยวมันจะหายเห็นไหมเริ่มนิ่งแล้วเห็นไหมรู้สึกไหม อย่าไปจ้องมันถ้าจ้องแล้วมันนิ่งหมดนะแค่รู้สึกแค่รู้สึกรู้แตะแตะนะรู้แบบแตะแตะมันนิดเดียวนะแค่รู้สึกรู้สึกอย่าไปจับไม่แรงๆอย่าไปจ้องแรงๆถ้าจ้องแล้วนิ่งหมดอ่ะนะังั้นการดูจิตดูใจแล้ววางอย่าไปจ้องจ้องใส่จิตนะไปเพ่งจิตไม่มีอะไรเหลือเลยคือนิ่งนะดูกายก็อย่าไปเพ่งกายดูจิตก็อย่าไปเพ่งจิตนะถ้าดูกายเพ่งกายดูจิตเพ่งจิตถ้าตึงเกินไปนะทำสมถะนั่นแหละจะไปทางโน้น จะไปพลมมาโลกทำสมรถะเก่งๆก็ไปเป็นเทวดาเป็นพระพรหมนะมันตึงเกินไปงั้นเราคอยรู้สึกตัวนะแต่สมรถะถ้าทำได้ก็ทำนะเพื่อพักผ่อนเป็นคราล์ๆแต่ถ้าจิตใจเรามีเที่ยวมีแรงแล้วอย่าไปบังคับกายบังคับใจให้ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดาดูไปนะร่างกายนี้มีแต่ทุกข์จิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงแล้วก็บังคับไม่ได้ด้วย เราสั่งได้ไหมว่าให้จิตใจมีความสุขลองสั่งสิจงมีความสุขจงมีความสุขมันเชื่อไหมไม่เชื่อสั่งมันไม่ได้บางคนก็ตั้งใจไว้ว่าจะไม่รักนะอย่างสมมติว่าไอ้หนุ่มมันมาจีบนะแล้วเสร็จแล้วมันกระร่อนจับได้อกหักอกหักแล้วตั้งใจว่าไอ้คนนี้มาอีกจะไม่เชื่อมันแล้วมันพูดสองประโยชน์ก็เชื่อมันแล้วนะเออมันจําเป็นอย่างง้นอย่างงี้หนอะยคล้อยตามไปแล้ว เนี่ยตั้งใจว่าจะไม่รักนะก็ไปรักมนะตั้งใจว่าจะไม่โกรธก็โกรธได้เคยไหมตั้งใจจะไม่โกรธแล้วโกรธนะไหมมันบังคับไม่ได้เนี่ยดูของจริงนะดูจากของจริงในชีวิตเราจริงๆเลยมีแต่ของบังคับไม่ได้ใจเนี้ยสั่งไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้อย่างเวลาจะมาฟังเทศหลวงพ่อใช่ไหมพเพียรมานะรถติดรถต่อุสามานะควรมาถึงนั่งปุ๊บขาแล้วอยากกลับบ้าน นะมาตั้งนานเนละนะอยากมาฟังเทศพอเริ่มฟังเทศอยากกลับบ้านนะบังคับได้ไหมบังคับไม่ได้นะบางคนก็ศรัทธาแก่กล้าอยากให้หลวงพ่อเทศไปถึงเช้าเลยเนะีนะ่ยนะอยากไปอย่างนั้นแนหะพอตัวเทศนานหน่อยหอิวข้าวถ้าอะไรไม่รู้จักการลเทศะา <c oughs> มเหนไใจนะกลับกรอกนะเนะี่ยดูแล้วบังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เที่ยง <c oughs> บังคับไม่ได้ ดูของจริงไปเรื่อยๆนะแลถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจะยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกร่างกายนี้เป็นก้อนทุกข์จิตจะยอมรับความจริงว่าตัวจิตเองก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ใช่ตามที่เราต้องการนะเห็นความจริงอย่างนี้ความยึดถือในกายความยึดถือในใจจะค่อยๆลดลงเพรความยึดถือในกายในใจมันถึงจุด1นึ่มันจะขาดออกไป หมดความยึดถือแล้วก็เราจะไม่มีความทุกข์ใดๆแทรกเข้ามาในจิตใจได้อีกละความทุกข์จะอยู่เฉพาะที่ร่างกายเท่านั้นนะแต่ในใจนี้จะไม่มีความทุกข์อีกแล้ะเพราะในใจมีความทุกข์ได้เพราะมีความอยากมีความอยากเกิดขึ้นที่ไรก็มีความทุกข์ความอยากเกิดจากความไม่รู้ความจริงอย่างเราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายทั้งที่ร่างกายนี่มันมีแต่ความทุกข์บีบขั้มันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตาย พอเรายอมรับความจริงได้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายะร่างกายมันแก่แเราก็ไม่เดือดร้อนนะใจไม่เดือดร้อนร่างกายมันเจ็บใจก็ไม่เดือดร้อนร่างกายมันจะตายใจก็ไม่เดือดร้อนเราพ้นทุกเพราะร่างกายไปแล้วไม่ทุกเพราะร่างกายอีกต่อไปท่านมหัจดเฝ้ารู้เฝ้าดูจิตใจจนเรารู้ความจริงจิตใจไม่ใช่เราหรอกทํางานได้เองเป็นแค่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์เดี๋ยวก็รู้อารมณ์โน้นเดี๋ยวก็รู้อารมณ์นีน้เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้นะ พรู้ความจริงแล้วต่อไปนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะเช่นเราพลัดพรากจากสิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งที่เราคุ้นเคยนะหรือเราไปเจอสิ่งซึ่งเราไม่ชอบเลยนะอย่างนี้จิตใจเคยกระเพิ่มบั่นไหวนะอย่างตอนนี้น้ำใกล้จะมาแล้วเห็นมคิดถึงน้ำแล้วใจเครียดแล้วรู้สึกไหมใครเคยถูกน้ำท่วมปีห้าสี่บ้างมีไหมทันสมัยดินะ <laughs> หลวงดหลวงพ่อไม่มีโอกาสสูงกว่าระดับน้ำทะเลร้อย3 0ิเมตรนะถ้าท่วมเนี่ยกรุงเทพไม่เหลือแล้วเนี่ยน้ำมาเราไม่อยากให้น้ำมาเราทุกข์แต่น้ำจะมาเนี่ยไม่เกี่ยวกับความอยากของเรานึกออกไหมน้ำจะมาหรือน้ำไม่มาเนี่ยไม่เกี่ยวกับความอยากของเรางนั้นความอยากของเราเนะเพิ่มความทุกข์ทางใจขึ้นเฉยเฉยไม่ได้ช่วยแก้น้ำท่วมเลย อย่างน้ำจะท่วมน้ําจะมาใช่ไหมเราไม่อยากให้มาเรากลุมใจนะเวลาที่มีข่าวน้ําจะท่วมพวกเรากลุมใจมากใช่ไหมยิ่งฟังข่าวทุกวันนะน้ำใกล้เข้ามาเนี่ยยิ่งเครียดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมทุกเพราะว่าไม่อยากให้มาแต่พอท่วมเข้าจริงๆนะสักเดือนเดียวนะชินๆแล้วเนาะท่วมก็ท่วมไปแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ลงเนะี่ยทไมความทุกข์ลดลงตอนแรกลุ้นว่าจะท่วมไม่ท่วมไม่อยากให้ท่วมอย่างรุนแรง แต่หลังยอมรับได้ว่ามันท่วมแน่ๆเลยเพราะมันท่วมแล้วท่วมมาตั้งเดือนแล้วนะน้ำก็เน่าแล้วยอมรับได้ว่าน้าเน่าด้วยใจไม่ทุกแล้วนะเหลือแต่ลําบากทางร่างกายเนะี่ยแม้แต่เมื่อไหร่ใจเรายอมรับความจริงได้นะใจจะไม่ทุกหรอกนะเราหัดมาภาวนานะเพื่อมาคอยดูว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความดีก็ชั่วคราว โลภโกรธหลงก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวหมดเลยงั้นต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นใจยอมรับได้อะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับได้หมดเลยใจจะไม่ดินน้นรนนะใจจะไม่มีความอยากเกิดขึ้นใจจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นงั้นที่เราหัดภาวนากันแทบเป็นแทบตายเนี่ยก็เพื่อฝึกให้จิตใจได้เห็นความจริงของร่างกายของจิตใจจนมันยอมรับความจริงได้ความจริงก็คือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้ เมื่อเรายอมรับความจริงได้เขาพ้นทุกข์กันตรงนั้นแหละเพราะว่าสิ้นอยากนะหายโง่ก็หมดอยากนะหายโง่คือทําลายอวิชชาได้ก็หมดตัณหานะหมดความยึดถือนะใจก็เป็นอิสระขึ้นมาเพราะว่าใจเราเข้าไปยึดถือคือใจเราไปรักไปติดใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นเองจิตสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นอย่างที่บอกมาตอนแรกๆนะยันถึงจุดหนึ่งนะเราหายโงนะ่เราก็หายอยากเราก็หายยึด มัเป็นลําดับกันไปค่อยๆฝึกนะฝึกให้หายโง่ตัวเดียวแหละไม่ต้องฝึกเอาอย่างอื่นหรอกนะฝึกดูความจริงวิธีที่หายโง่มีความมีวิธีเดียวเท่านะั้นคือพาให้จิตได้ดูความจริงของกายพาให้จิตดูความจริงของจิตใจเรื่อยๆไปถึงวันหนึ่งมันยอมรับความจริงได้เพราะหายโง่ตรงนั้นนะ่นะะความจริงก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะวันนี้เอาเท่านี้ก็พอลนะะมีใคร จะถามหลวงพ่อบ้างไหมสิบท่านนี้ส่งกันบ้านเจ้าคะ่ะเดีอยวอว่ามาใครฟุ้งซ่านบ้างรู้สึกไหมทั้งห้องแหละเนี่ทํ า, าทําำไม่ยกมือทำมาลังเลฟุ้งไม่ฟุ้งนะฟุ้งแหละกราบนมัส ก, การเจ้าคะ่ะรู้สึกว่าคิดสั้นลงเจ้าคะ่ะมีช่องว่างมีความว่างเกิดขึ้นอย่าไปเอานะ อย่าไปน้อมจิตให้ว่างะนะวาาน่างเนี่ยว่างสั้นๆนิดเดียวอย่าให้ว่างยาว<ร> <_ S 2> หาลงคิดได้แต่คิดแล้วรู้ไวๆมันจ ะ, <ร>ะดับ<ร>แล้วก็คิดใหม่รู้ใหม่ดับอีกการ defined, ที่เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้นะถึงจุดหนึ่งเนี่ยปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยจิต<ล>จะคิดมันก็คิดของมันเองจิตจะรู้มันก็รู้ได้เองแล้วก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงเนี่ยปัญญาอยู่ตรงนี้ คัญญาไม่ได้อยู่ที่ว่าทำให้รู้สึกตัวได้ตลอดเวลาค่ะเห็นว่าทุกแล้วก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันผ่านไปเร็วมากอืมมันเร็วมันช่วขณะเท่านั้นแหละใจเหมือนคนโลเลอย่างที่ขับรถอยู่เดี๋ยวมันอยากไปเรารู้จักด้ยังว่าคนหลายใจเป็นยังไงใช่เลยค่ะถ้าเราพอนาเราจะรู้เลยว่าถ้าใครมาบอกเราว่าผมมีใจเดียวนะบอกเขาเลยว่าผิดหลักธรรมะ จริงจแล้วจิตเกิดดับตลอดเวลาเลยค่ะก็กราบหลวงพ่อมาเป็นปีที่ห้าตั้งแต่วันแรกที่รู้สึกหลวงพ่อบอกติดสมถะตอนนี้มันหายไปเยอะอะค่ะอืดีแล้วก็นั่งสมาธิก็แบบไม่เข้าไปอยู่ในผวังไม่ต้องการแสวงหาความสงบชั่วคราวพอพอให้มีแรงพอให้มีแรงนะแล้วออกมาเจริญปัญญาก็รู้สึกจิตเป็นดวงใหม่อืใจมันเบาแล้วก็ใกล้ที่จะเจอกับเปัญหา ให้เราแก้ให้หวั่นไหวค่ะฝึกไปเรื่อยๆไปค่ะกลาวน้ำสศการเจ้าค่ะกลาวนการค่ะหลวงพ่อยกมาอย่างนี้ไม่ต้องผนมมือแบบร้องคาราโอเกะค่ะหนูก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายปีนะคะแต่ว่าก็ยังลงลุกคุกคานอยู่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้สังเกตุหรือเปล่าว่ากายกับใจเป็นคนละอันเคยเห็นหรือยังก็เห็นบ้างค่ะนะใจขันมันเริ่มแยกได้ละ แเราค่อยดูไปนะร่างกายมันทํางานใจเป็นคนดูเห็นไหมว่าความรู้สึกกับใจเขโคนละอนกันตัวนี้เห็นบ้างไหมคือเห็นกายกับใจเป็นโคนละานเห็นนั่นไหนมากกว่ากันก็บางทีก็เห็นกายบางทีก็เห็นใจค่ะบางทีเห็นความรู้สึกที่มันแวเแ บ, บเออ ย, ย่ี่ยนว่าความรู้สึกกับจิตเขาคโละอันดีไปฝึก อ, อีกทําดีละแต่ว่าถ้ามันฟุ้งซ่านทําความสงบเข้ามานะ การเจริญปัญญาเนี่ยเราเจริญรวดเดียวไม่ได้ก mm ็ hmm. ต้องเบรกบ้างเหมือนเราทํางาน mm hmm. เราทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ mm hmm. ก็ต้องมีพักบ้างงั้นะ mm hmm. ถ้าเวลาเราจะพักเราก็มาอยู่กับพุโทโธมาอยู่กับลมหายใจนะหรือคิดถึงพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยให้ใจเราได้สงบอยู่ในอารมันเดียวเป็นคราคลา์ๆมันจะมีแรงนะของหนูไม่มีอะไรหรอกของหนูขันมันแยกได้แต่ใจมันยังฟุ้งเก่งอยู่นะทําความสงบบ้าง ดีขันแยกได้แล้วกาบธรรมะสการหลวงพ่อคะ่ะก็ตามดูจิตในชีวิตประจวันนะคะเวลาทำงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเวลาทำงานที่คิดเนี่ยอย่าไปปฏิบัตินะเวลาทำงานที่คิดมันรู้กายรู้ใจไม่ได้นะค่ะแล้วไม่แน่ใจว่าต้องขอกันบ้านหลวงพ่อว่าต้องเดินทางไหนต่อคือต้อง บบ เ, เราเป็นพวกรักสวยรักงามหรือเป็นพวกคิดมากละ่ะคะพวกไหนเป็นทั้งสองพวกเลยค่ะทั้งสองพวกนะ <c oughs> <c oughs> ทั้งสองพวกเนี้ยกเราก็รู้ทันไปเลยนะ<ฆ>ถ้าดูจิตได้ดูจิตไปตอนไหนดูจิตไม่ได้ดูกายตอนไหนดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ก็พุโทโธไปหายใจไปทาปําความสงบเห็นไหมใจไม่ชอบนะใจจะอดกลวนว่าโอ้ทําไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยนะ เรารู้ทันว่าใจมันจะอดกลันรู้เข้าไปเลยค่ะ ข, ขอบคุณค่ะกับน้มสักการหลวงพ่อครับอปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนมาประมาณสี่ปีครับเคยเห็นไกลไม่ใช่เราสองครั้งแล้วก็หลังจากนั้นไม่เห็นอีกอย่าอยากเห็นนะถ้าอยากเราไม่เห็นหรอกรมันเกิดจากจิตนะถอนตัวออกจากความคิดได้จิตถอยออกมาเป็นคนดูได้ งั้นถ้าเราต้องการให้เห็นบ่อยขึ้นนะเราก็ซ้อมในรูปแบบนะวิธีทํทกากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเราคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปถ้าจิตมันไม่ไหลไปโดยที่ไม่ได้บังคับไว้มันจะเห็นได้นะแต่ถ้าจิตมันไหลไปก็ไม่เห็นหรือบังคับจิตอยู่ก็ไม่เห็นคือสุดตรงสองข้างนะี้จะไม่เห็นหรอกถ้าไม่สุดตรงสองข้างนะรู้สึกกายรู้สึกใ จ, กใจมันจะเห็นขันมันแยกได้มันอยู่ในทางสายกลางของคุณตึงไปหรือย่อนไปลนะ่ะ ตึงไปครับตึงไปถูกต้องนะก็มันทำให้ไม่เห็นครับปัจจุบันก็ปฏิบัติในรูปแบบน้อยครับมีสวดมนตบน์บ้างแล้วก็ตอนนี้มีกิเลสคืออยากได้ฌานหลวงพอ่อยากขอคำแนะนำหฌานไม่ยากหรอกง่ายนะให้ได้สติก่อนนะคืค <c oughs> ออ้าวไม่ได้พูดเล่นนะ ถ้าถ้าขาดสตินะแล้วไปทำฌานเนี่ยจะกลายเป็นมิจฉาสมาธิไปนั่นเราต้องมีสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะหายใจจนจิตสงบลงมาร่างกายหายไปเลยนะจิตถ้าตั้งมั่นเด่น ด, ดวงขึ้นมาฌานทําได้หลายแบบบางทีใช้กรรมฐานบางอย่างแล้วมันจะกลายเป็นแสงอย่าเรารู้ลมหายใจหรือเราเพ่งกสิทธ์นี่มันจะกลายเป็นแสงสว่าง แลใจเราจับอยู่ที่แสงนะเราก็เล่นได้ให้แสงนี่แผ่กว้างเท่าไหรก็ได้นะให้เล็กเท่าปลายเข็มหมุดก็ได้แต่ที่มันเล็กเท่าปลายเข็มมุดนะ แ, แสงมันจะเข้มเข้มข้นมากเลยนะเล่นอย่างนี้นะในจิตมันมีปิติขึ้นมาอีกพวกหนึ่งอย่างเราจเจริญเมตตาเนี่ยไม่มีแสงไม่มีอะไรใจมีความสุขนะแผ่ซ่านออกไปใจก็เข้าฌานได้นะแต่จะเข้าฌานไม่ยากอะไรแต่จะให้ขาดสติ นันปัจจุบันเห็นกิเลสเล็กๆน้อยๆครับ ข, ของคุนจริงจังไป ม, มันจะหักคอกิเลสอย่างเดียวนะ <c oughs> ไม่มีใครเอาชนะกิเลสได้ให้เรียนรู้เข้าไปเวลากิเลสผ่านเข้ามานะมันเหมือนน้าไหลผ่านเรือถ้าเรือไปขวางน้ํำนะเรือก็ล้มถ้าเรือไม่เอาไหนนะเรือก็ไหลตามน้ําไปเราก็เหมือนเรือทอดสมอไว้นะ น้ำมาก็ไหลผ่านเรือไปเรือไม่ขวางน้ําแต่ก็ไม่ตามน้ำนะีเรามีสติอยู่กิเลสมา ก, ก็เห็นกิเลสไปกิเลสผ่านมาผ่านไปนะอย่าไปเกลียดมันเกลียดกิเลสเกินไปกลับมาคุณหลวงพ่อครับปราบม ร, บรบสรรการพระาจารย์นะครับก็พอดีอยากจะเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจําวันนะฮะก็ถ้าเกิดยกตัวอย่างคืออยากขับรถนะครับสมมุติมีใครขับรถปาดหน้าเราเนี่ย จริงๆแล้วคิดว่าตัวเองเป็นคนใจเย็นพอสมควรก็คือจะให้อภัยคนพื้นฐานใจร้อนนะใช่ไหมฮะพ็จะเรียสอถามพระอาจารย์ครับคือเราเนี่ยให้อภัยเขาแล้วก็บอกว่าเออช่างมันเถอะแต่ว่ามันเหมือนกับมีอีกคนหนึ่งอะที่ไปด่าว่าเขาแล้วนั่นแหละมันโมโหไอ้ตัวนั้นอะตัวจริงไอ้ตัวนี้แกล้งดีอ๋อแล้วจิตของเรามันคือ ตรงไหนคือของของจริงของแท้ในตัวที่ไปด่าเขาแนละ้วไป่าอย่าง <c oughs> งั้นคือเราฝึกจิตนี่คือเพื่อปรับปรุงตัวนั้นนะ่ะเไม่เราไม่ได้ปรับปรุงเราจะให้เห็นว่าจิตมันจะโกรธมันก็โกรธได้เองอนะเราจะดูไตรลักษณ์นะไม่ใช่เอาดนะีไม่ได้เอาดีเอาสวยเสวของคุณนะพื้นฐานดีนะพื้นฐานดีจิตมีพลังอยู่หัดเจริญปัญญาไปดูเขาทํางานอย่าไปแซกแซง ก็คือถ้าจะด่ากระด่าไปอย่าให้เขาได้ยินผมครับเรารู้ทันใจมันโกรธเห็นเลยมันโกรธเองนะเราไม่ได้ฮะไม่ได้เชิญให้โกรธมันโกรธได้เองดูของจริงอย่างเงี้ยดูจนกระทั่งเรารู้เลยว่ากระทั่งใจเราเรายังบังคับไม่ได้เลยแล้วคนอื่นเนี่ยเราอยากให้เขาเป็นไปตามใจเราเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลย งัถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะเราจะมองคนด้วยความเมตตาเลยนะว่าเขาแพ้กิเลสออกเขาเราเองก็แพ้เหมือนกันไม่ใช่ชนะแล้วมันจะเกิดเข้าใจขึ้นมาของคุณดีความรู้สึกตัวเด่นชัดใช้ได้แต่อย่าประคองความรู้สึกตัวไว้นะเราเห็นตัวรู้เด่นดวงอย่างนี้หรือมันหายไปหลงอย่างตอนนี้หลงไปคิดทราบไหมใจมันหลงไปแล้วตัวรู้หายนะ แต่อย่าประคองตัวรู้ไวนะอย่าประคองอไว้ตลอดเวลาต้องระวังเรื่องประคองตัวรู้ไว้ครับนำ้ำมัสการหลวงพ่อนะครับก็ฟังหลวงพ่อมา 5, ประมาณห้าหกปีนะคะก็ชีวิตเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะนะคะ<ด>ก็ดีขึ้นรืเร็วลงชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเออเต้อ ง, องต้องถามให้ชัดนะ <laughs> แต่เดิมมีศีลมีธรรมฟังซีดีแล้วกินเหล้าเก่งอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ไหว ก็ความทุกข์ที่มันมากก็น้อยลดลงแล้วก็บางครั้งบางคราวก็ เ, เห็นการกระจายแยกกันบ้างเป็นบางครั้งนะครับแต่เราอย่าเพิ่งประมาทนะถ้าปัญหาแรงๆมาบางทีใจก็เข้าไปคลุกอีกนะรเราต้องฝึกของเราไปได้วยจนกระทั่งมันขาดจากกันถาวรนะมันไม่เข้าไปรวมกันอีกละครับแล้วก็ในรูปแบบก็ปฏิบัติดูลมหายใจแต่ว่าก็ลองดูซิ หายใจไปรู้ลมหายใจแล้วสังเกตดูว่าเราดัดแปลงไหมไมซึมแนละ้วจิตเริ่มซึมนละอย่าไปทำให้ซึมหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวหายใจไปด้วยความรู้สึกผ่อนคลายรู้เนื้อรู้ตัวนะครับไปฝึกตัวนี้เพิ่มครับครับคุณครับกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะก็คือครั้งครั้งที่แล้วที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าจิตกระจาย แล้วหลังจากนั้นหนูก็ดูมาก็ไม่รู้ไปไหนหายไปแล้วก็แบบเหมือนออกไปข้างนอกอะค่ะอ uh huh. แล้วสักพักหนึ่งไปเริ่มเริ่มเจอปัญหาก็ไปเจอความทุกข์ uh huh. ทีนี้ก็เหมือนมันกลับมาดูใหม่ได้ uh huh. ทีนี้ก็ตอนนี้ก็คือเห็นว่ากายกระใจไอ้ตัวอัตราตัวตนเนี่ย uh huh. มันไม่ใช่ของดีจริงๆมากๆ uh huh. คือถ้าเกิดมันมีขึ้นมาเนี่ยมันมันก็จะนําความทุกข์มาให้แล้วมันก็จะแบบ บีบบคันคันอะค่ะใช่มันบีบคันคือ น, นอกจากเกิดดาบตอนนี้แล้วก็จะเห็นความความบีบคันหรือความไปยึดอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งหนูก็เหมือนมันรักกายหรือรักอะไรแล้วมันยังไม่ปล่อยมันจะบีบบี บ, บ, บ, บ, บอยู่อะค่ะแต่ว่าปัญหาอยู่ตรงนี้เราเห็นความจริงแล้วนะแต่ใจยังไม่เป็นกลางใจยังเกลียดมันอยู่ยังมีความแบบหวัน่นไหวเสียใจออยัง<น> ะ, ะยังไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้น ให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนี้แนะหนูหนูต้องมองดูในแง่มุมไหนจนกว่าแบบจิตมันจางแล้ดูในแง่ของอนัตตานะาเราสั่งไม่ได้เราเป็นพวกปัญญากล้าเมื่อเราดูมุมของอนัตตาอย่างช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ทำในรูปแบบเลยเพราะว่า ทั้งงานทั้งเรียนเยอะมากแต่ก็จะใช้วิธีทําในชีวิตประจาําวันแล้วก็สวดอิติโสไปแนละ้วถ้ามันรู้ขึ้นมามันก็รู้ขึ้นมาแบบเป็น <c oughs> แบบก็อย่างบบดี<บ>ะนะการที่เราสวดสวดไปนะนก็ได้สมถะนะบางทีเราทํางานนะเราไม่มีเวลาหรือตอนเย็นกลับบ้านหมดแรงแลก่อนค่ําพราะหนาไม่ไหวแล้วกเก็บเล็กเก็บน้อยอย่างคนที่บอกว่าทํางานวันละสิชั่วโมง12ชั่วโมงความจริงไม่ใช่นะ ในเวลาสิชั่วโมง12ชั่วโมงที่ว่าทํางานนะเอาไปใจลอยซะเยอะเลยนะนั่งใจลอยนะเยอะแยะเลยถ้าหลวงพ่อเป็นคนคุมงานแล้วนกะ็น่าดูเลยนะหากเงินเดือนเนาะ้อทำงานจริงไม่เท่าไหร่หรอกแอบไปคิดเรื่องอื่นเนะีนะ่ยตรงช่วงที่มั น, นหนีไปคิดเรื่องอื่นเนะี่ยเอามาสวดมนต์ในใจซนะหลวงพ่อเคยอ่านประวัติหลวงพ่อกเกษมเขมมโกนะ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาพิมพ์นานแล้วมีเรื่องพระเจ้าอยู่หัวเราเจ้าหัวท่านเล่าให้หลวงพ่อเกษมฟังว่างานท่านเยอะเวลาท่านมีเวลานิดนหน่อยๆนย น, ยนะหานาทีอะไรเงี้ยท่านภาวนาเราเอาอย่างท่านสิงานเราไม่เยอะเท่าท่านหรอกมีเวลาหนาทีพวกเราจะเอาไปทิ้ ง, ไงไหเหนื่อยมากๆแล้วคิดอะไรสเป ส, สปะเล่นอะไรเงี้ยนะ ยิ่งยุคนี้นะเป็นยุคที่พอมีในในวเวลาว่างก็พกงัดโทรศัพท์มากดกันโอ้เนี่ยล้างผลานที่สุดเลยนะเสียเวลามากวันหนึ่งไลายไปทั้งหลายชั่วโมงแนละ้วบอกไม่มีเวลาภาวนาก็หนูหนูจะรู้ทุกจนกว่าจะพ้นทุกข์ให้ได้ค่ะต้องอย่างนั้นสินะแต่ใจไม่เป็นกลางให้ไปรู้ทัน <c oughs> แรงหนูไม่พอนะใช่ กลับนมัสการเจ้าค่ะเพิ่งมาปฏิบัติไม่นานนี้เลยเจ้าค่ะเรียนกับหลวงพ่อไม่จําเป็นต้องนานบางคนเดือนเดียวก็ภาวนาเป็นแล้ว ค, ความทุกข์กระเด็นไปต่อหน้าต่อตาละลองปฏิบัติในรูปแบบแล้วเห็นความฟุ้งซ่านตัวเองตลอดเวลาดีแล้วดีนะไม่ใช่ไม่ดีในเวลาเดียวกันก็มีความคิดหลายๆความคิดด้วยเจ้าค่ะเออให้รู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านรู้ทันเฉยๆไม่ว่ามัน เราดูไปตรงที่เรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านนะรู้ถึงความเป็นกลางจิตจะสงบอัตโนมัตินะแล้วหนูสังเกตไหมว่าหนูสงบมากขึ้นเห็นไหมว่าดูว่าฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านอนะในภาพรวมนะจิตมันสงบมากขึ้นเพราะว่ามันรู้ทันความฟุ้งซ่านเจ้าค่ะนะดีใช้ได้แล้วเวลาปฏิบัติในวิธีการ หนูตอนนี้ดูทางเวทนาเจ้าคะ่ะเวทนาจะดูได้ดีนะจิตต้องสงชนันนะเราดูเวทนายากก่อนจะไปดูเวทนาได้ต้องทําสมาธิก่อนเพราะว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเหมาะกับสมถายานิกเหมาะหนเล่นช้านะนะไม่งั้นเดี๋ยวพอปวดเข่งจริงสติแตกทนไม่ไหวงั้นอย่างนี้หนูควรดูเราดูของง่ายๆนะ ดูความรู้สึกของเราที่เปลี่ยนแปลง น, นี่ไม่ต้องใช้ฌานยิ่งเข้าฌานนะความรู้สึกยิ่งไม่เปลี่ยนแปลงยิ่งใช้ไม่ได้เลยนะสังเกตไหมใจเราเปลี่ยนตลอดอนะแต่ของหนูต้องดูกายด้วยหนูเป็นคนรักกายมากดูเห็นร่างกายทะยักหน้ารู้สึกไปรู้สึกร่างกายไปตอนไหนดูจิตได้ดูจิตตอนไหนดูจิตไม่ได้ดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้พุทโธพุทโธสวนมนในใจไป ขณะที่ทําจะเห็นว่ามีจิตดวงหนึ่งชอบสอนนําวิธีการอย่าไปเชื่อมันนะมันกําลังฟงซ่านอยู่รู้ไปเลยว่ามันฟงซ่านอย่าไปเชื่อมันนะ<ร>เรื่องของการฟงซ่านทั้งหมดอย่าไปคิดว่าอย่าไปเชื่อมันเดี๋ยวมันสอนเราแผลงๆทีแรกมันสอนให้ดูดีนะสอนแหมสอนดีพอเราหลงเชื่อมันคราวนี้มันพาเราตัเลิดเลยเพราะจิตเรายังมีกิเลสเชื่อมันไม่ได้หรอกที่ ที่หลวงพ่อบอกให้ดูก็คือว่าดูดูให้รู้ทันในแต่ละอย่างที่เราฟุ้งซ่มันมีก็รู้นะมันหายไปก็รู้มันมีก็รู้มันหายไปก็รู้มันฟุ้งซ่านก็รู้มันหายฟุ้งซ่านก็รู้เพียงรู้ก็พอจ้ะรู้พุทธะแปลว่ารู้พุทธะไม่ได้แปลว่าคิดพุทธะไม่ได้แปลว่าเพ่งเจ้าค่ะมีปรัสนาคือการเห็นเห็นตรงตามความเป็นจริงมีปรัสนาไม่ใช่คิดถ้าคิดเรื่องวิตกแล้วก็ไม่ใช่เพ่งนะขอบคุณจ้ะ ใช่กังวลมากไหมรอนานค่ะมีกลุ่มใจว่าจะถามอะไรบ้างกลุ่มใจมากเลยกล่าวนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ทุกวันนี้เวลาที่มีสิ่งเลาไม่ว่าจะเป็นจากคำพูดหรือว่าอะไรมากระทบที่ใจนะคะสเต็ปแรกคือจะรู้แต่สเต็ปหลังจากนั้นเนี่ยบางครั้งกายมันก็เผลอที่จะทา อะไรไม่ดีออกไปอย่างนี้ค่ะนั่นหมายความว่าเราไม่ได้รู้จริงหรือเปล่าคะรู้แล้วล่ะแต่มันรู้แค่ช่วขณะนั้นะแล้วหลังจากนั้นกิเลสหลอกมันต่อคือรู้ไม่ตลอดอยเรู้ตลอดไม่ได้เพราะเราสั่งไม่ได้เราสั่งว่าจงรู้ตลอดเนี้ยเป็นไปไม่ได้รู้ได้ขนาดนึงก็บุญแล้วล่ะงั้นก็เป็นบุญนิดนึงเนี่ยแค่รู้ขนาดนึงเราก็ภูมิใจละดีใจละอย่าไปว่ามันทำไมรู้น้อยจัง แต่ก่อนหลงตลอดนะตอนนี้ได้รู้เป็นขณะขณะบุญนักหนาแล้วถ้าเรื่องที่ฝึกมาใช้ได้นะะสังเกตไหมว่ากายกระใจโคระนดูออกไหมมีบ้าอความรู้สึกกระใจก็โคละอันขันมันแยกพอขันมันแยกแล้วดูแต่ละขันนะมันแสดงไตรลักษณ์เห็นไหมไอ้ตัวนี้ไม่ใช่เราไอ้ตัวที่พยักหน้าเนี่เนื้อค่อยรู้สึกไป ไม่ใช่คิดแต่รู้สึกเนาะอยากพูดทราบไหมใจมันอยากมันจะดันขึ้นตรงกลางอกเห็นไหมมันดันอีกแล้วเห็นไหมอยากจะถามอถามได้ให้รู้ทันก่อนแล้วค่อยถามคือทุกวันนี้ก็จะมีความคิดที่ฟงซ่านนะคะแล้วมันเหมือนห้ามไม่ได้ค่ะไม่ห้ามนะค่ะห้ามไม่ได้ กาจิตฟุ้งซ่านไปแล้วมันก็จะไปปรุงแต่งเดี๋ยวก็ปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์ขึ้นมาก็ค่อยรู้เอาเราก็อาศัยฟังธรรมะอะไรเงรี้ยค่ะก็ช่วยได้แล้วก็บางครั้งก็คือใช้วิธีพุโทโธคือจะดูทั้งกายและใจสลับกันได้ะอะไรเด่นในร้วนนั้นแหะ <c oughs> คือสายกายสายจิตเนี่ยนะมันสําหรับคนหัดใหม่แต่คนที่มีสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติมาแล้วไม่มีสาย บางทีสติก็รู้กายบางทีสติก็รู้จิตเลือกไม่ได้ด้วยไม่มีสายนะสายน้อน<อ>ายนี้มันหลอกเอาตั้งแต่เล็ดเหัดแรกๆเท่านั้นอะขอคำถามสุดท้ายนะคะทุกวันนี้เข้าใจว่าตัวเองไม่ได้ทำใน ร, รูปแบบอะค่ะเพราะว่าเป็นคนที่จะรู้สึกอึอดอัดเวลาที่ต้องนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมมันจะเหมือนกับเราตั้งใจเกินไปอ<ข>ะก็ทาอะไรสักอย่างก็ได้สวดมนต์ก็ได้ ก็คือทุกวันนี้จะสวดมนต์อะรหังสัมมาแล้วก็นนโมจัตสะแล้วก็อิติปิโสอะค่ะเท <aquell> ่านี้เองค่ะ ก, <ขอ S 2> ก่อนจนะสวดอะไรไม่ได้พุทโธพุทโธยังใช้ได้เลย ใ, <ช>ให้มันมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่สักอย่างหนึง่ง<ช>แล้วจิตจะได้มีที่พักถ้าไม่มีที่พักเลยจะเหนื่อยเกินแล้วก็เดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกเดี๋ยวก็ฟุ้งขอบพระคุณค่ะนี่คนที่น่าสงสารที่สุดในห้อง คือคนส่งกันบ้านคนสุดท้ายน้ำมัสการค่ะหลวงพ่อยกนี้เลยไม่ต้องพนมมือหลวงพ่อคะเวลานั่งภาวนาค่ะบางจาังหวะรู้สึกเหมือนเออ่เรามันมันจะสว่างขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วมันจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีเราแเหมือนก็มองลงไปอย่างเงี้ยค่ะ แ, แต่เวลาเรามองลงไปนะอย่าให้ถลำลงไป แต่ว่าตรงที่มันแยกกันออกมาเนี่ยไม่ให้ถลําลงไปถ้าถลําลงไปเนี่ยนะมันย่อหย่อนไปแล้วก็ไม่ใช่บังคับตัวเองให้ตั้งอยู่ตลอดให้แยกตลอดอันนี้ตึงเครียดเกินไปนทางสายกลางก็คือดูสบายๆถ้าจิตถลําลงไปตรงที่มันดูนะรู้ทันว่าถลํนถานะแล้วมันขึ้นมาเองอย่าไปดึงให้ขึ้นมาถ้าดึงมาตึงเกินไปใจจะแน่นปกติจะไม่ได้ดึงขึ้นมาหลวงพ่อแต่ว่า บางทีพอมันเห็นแบบนั้นแล้วมันก็เห็นข้างหน้าเป็นแบบสว่างแล้วมันก็เป็นริ้วๆแล้วก็มีอยู่แค่นั้ น, นะะออแล้วก็เป็นตัวมันเห็นมันริ้วๆนะเหมือนเราดูโทรทัศน์นะแต่อย่าให้เราถล่มเข้าไปในจอโทรทัศน์นะให้เราดูห่างๆนะดูเหมือนดูคนอื่นนะลองดูสิลองดูไอ้ริ้วๆอะไรนะั่นอะดูไป ต, ตอนนี้ไม่มีอะนะแล้วมีอะไรให้ดูตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้มีอะไรให้ดูได้บ้างเห ม, มันสภาไว้อย่างนั้นต้อ ง, ต, องต้องนั่งภาวนาแบบ เริ่มจากว่าดูร่างกายหายใจแล้วลองดูร่างกายหายใจสิสังเกตไหมว่าตึงเกินไปเริ่มไปกดตัวเองให้ซึมแล้วนะไกดให้เบลอต่อไปนี้จะดูร่างกายหายใจนะมันต้องหายใจอยู่แล้วแค่รู้สึกว่ามันหายใจอยู่ไม่งั้นจะกลายเป็นเพ่งมันอ ย, อย่างตอนนี้ก็เพ่งอยู่เพ่งอยู่ยตึงแล้วแน่นแล้วรู้สึกไหม เพ่งจนชินเลยถ้าเพ่งจนชินไม่รู้ว่านั่นจิตใจขนาดเนี้ไม่ไม่เหมือนจิตใจปกติรู้สึกไหมมันทื่อๆไปหน่อยหนึ่งอาจจะเพราะตื่นเต้นแล้วไปบังคับไว้ให้เราคอยรู้ทันอย่างที่เขาเป็นอย่างจิตใจตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นจิตใจสงบรู้ว่าสงบจิตใจเป็นไงรู้เล่นๆไปะเวลารู้เนี่ยไม่ให้ถลำเข้าไปรู้นะ หลักของการดูจิตนะก่อนจะเห็นนะก่อนจะดูเนี่ยอย่าจงใจอย่าอยากดูแล้วไปดักดูไปจ้องไปรอดูถ้าไปรอดูนะใจจะแน่นอย่างบางคนบอกจะดูจิตดูจิตไหนดูซิดูซิเราไปจ้องเงี้ยอันนี้ผิดละให้มีความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอานะเพราะนั้นก่อนจะดูเนี่ยไม่ไปดักดูไม่ไปรอดูให้มีความรู้สึกแล้วก็ค่อยรู้เอาระหว่างดูไม่ให้ถลําลงไปดูดูห่างๆดูแบบไม่มีส่วนได้เสีย ดูเสร็จแล้วนะมันยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันมันจะเข้าไปแทรกแสงเะฉะนั้นเราจะไม่แทรกแสงเรารู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นสรุปก็คือก่อนจะดูนะอย่าไปดักดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วก็ค่อยรู้เอาระหว่างดูอย่าถล่มลงไปดูดูห่างๆดูแบบไม่มีส่วนได้เสียดูแล้วนะไม่แทรกแสง ถ้ามันยินดีให้รู้ทันมันยินร้ายให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันมันจะแทรกแซงนะอย่างนี้ส่งจิตไปดูแล้วรู้สึกไหมส่งจิตไปดูไม่ใช่ดูจิตออกให้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปดูถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปดูนะถ้าเรารู้ทันจิตแล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองอย่างนี้เคลื่อนไปแล้วทราบไหมดูจิตที่เคลื่อนไม่ไม่ไปไหนดูกายก็ได้ถ้าดูจิตยังไม่ออกดูร่างกาย หร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไปเรื่อยๆนะใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆอย่าน้อมให้ซึมอย่าไปน้อมให้ซึมเท่านั้นแหละเห็นไหมร่างกายไปยักหน้าดูกายชัดกว่าดูจิตนะไปดูกายนะดูกายหรือดูจิตใช้ได้เหมือนกันเพราะจริงๆเราไม่ได้ดูกายเราไม่ได้ดูจิตแต่เราดูไตรลักษณ์เราดูกายเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์นะเราดูจิตก็เพื่อให้เห็นไตรลักษณ์เั้นที่เราดูจริงๆคือดูไตรลักษณ์ ไม่ได้ดูกายไม่ได้ดูจิตหรอกแต่ว่าตรใยรักมันแสดงอยู่ที่กายกับจิตงั้นเวลาที่เรานั่งภาวนาแล้วเราเกิดสภาวะอย่างนั้นแล้วเราคิดว่าเราดูแต่งจิงคือมันมันถล่มลงไปดูลลปแล้ ว, ลวถ้าเราแยกไม่ออกเร า, ถ, าถ้าเร า, เ ร, ารู้รรว่ามันถล่มลงไปน้ำก็หายเลยถ้าแยกไม่ออกจะกลายไปติดเพ่งมันจะกลายไปถล่มแล้วไปจอนิ่งอยู่ในที่เดียวนะแล้วว่างๆนิ่งๆไปติดสมถะ อย่า ก, กลัวติดเกาติดติดแล้วรู้ว่าติดเกาหายแล้วแต่ที่เข้าใจเหมือนว่าตัวเองเข้าใจว่ามันก็เหมือนกับ ม, มันก็ห่างกันเหมือนมันไม่ได้รวมเป็นเนื้อเดียวกันได้ถ้ า, าถ้ามั น, ม น, นแยกเป็นสองนะได้ถ้าแยกมากกว่าหนึ่งอะได้แล้วเป็นสองเป็นสามอะไรก็ได้อย่าให้เป็นอันเดียวคือหมายถึงว่าที่หนูเข้าใจว่ามันแยกแต่ว่าหนูเข้าใจผิดหรือเปล่าคว่าจริงๆมันคือรวมแต่ว่าหนูดูไม่ออกก็เลยนึว่ามันแต่ก็รู้สึกว่ามันก็แยกเหมือนก็แยกแล้วล่ะ แต่แยกบ้างรวมบ้างนะไม่ได้แยกตลอดหรอกมันไม่ใช่ภูมิของเราแต่ถ้าอย่างนี้เราเราอย่างนี้ถ้าเราเลิกทําอย่างนี้ไปดีไหมคะไม่ดีไปดูกายเราในชีวิตประจําวันเราก็ดูร่างกายทํางานใจเราเป็นคนดูสบายๆนะทําในรูปแบบทําไปทําแล้วเราติดสมรตารู้ว่าติดนูหายแนละ้วดีกว่าไม่มีไม่ได้พักเลย แล้วบางทีอยู่ๆเหมือนบางทีรู้สึกว่ามันก็มีอะไรดันขึ้นมาแบบในความเบาความอะไร<ต>เกิดขึ้นนะก<ต>็แค่รู้นะมันขึ้นมาได้เองนั่นแหละเนี่ยนั่นแหละที่เรียกว่าเรารู้ทันจิตละดูจิตละใช่หไหมมันเกิดขึ้นมาแล้วเราค่อยๆรู้เอาถ้าเราไปจ้องอยู่จะไม่มีอะไรขึ้นมาเลยเนียจ้องอย่างเงี้ยถล่มลงไปเงี้ยนะจะไม่มีอะไรเนี้ยหนีไปละเห็นไหมหนีไปไหนหนีไปคิดว่าจะพูดอะไรดี โ ด, โดยภาพรวมก็คือว่าทำที่เราทำ<ด>ทุกวันไปใช้ได้ทำอย่างที่ทำนี้แหละนะนะแล้วก็คอยรู้เท่าทันจิตถลำไปก็รู้เอาเนี่ยถลำไปละงงดูไม่ออก <laughs> งงรู้ว่างงรู้ทันความรู้สึกส ด, ส ด, สด ร, ร้อนไปนะเห็น <laughs> <He ard S 2> ไหมร่างกายพยายหน้าดูกายไปดูกายบ่อยๆ ถ้าดูไกลได้ดีแล้วจะเห็นจิตชัดขึ้นมาหลวงพ่อคะเวลาเดินจงกรมนะคะเวลาเวลาเดินจงกรมหนูที่เดินทุกวันนะคะอันนั้นหนูทํำปันเป็นสมาธาิใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่เห็นเนี่ยตัวนี้ก็ไ ม, มไม่มีที่จะเดินด้วย ม, มันเดินแล้วมันไม่เวลาไปไเดินเนี่ยนะ ม, ม, มีการดัดแปลงจิตใจไหมมีการควบคุมร่างกายไหม ทันทีที่เดินทันทีที่คิดถึงการเดินจงกรมเราก็เดินไปยืนปุ๊บใช่ไหมยืนเราส่วนใหญ่ก็จะยืนแล้ววางฟอร์มมือไว้แบบนี้ว้างข้างหลังบ้างอะไรเงี้ยพอวางฟอร์มทางร่างกายเสร็จแล้วก็วางฟอร์มทางจิตใจเนี่ยแล้ก็เดินเดินไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องอ่ะคือหนูเดินแล้เหมือนว่าพอเดินเสร็จมันจะมีแบบอาการแบบคล้ายๆว่าเราเรา แขนชาหรือขาชามันจะยิบยับยิบยั บ, ยบอย่างนั้นนะเอออย่างนั้นได้อันนั้นคือสมถะหรอไม่เป็นหรอกเรเห็นมันเคลื่อนไหวไปมันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่ใช่เราหรอกนะมันเป็นเองยิบยับยิบยั บ, ย บ, ยบขึ้นมาตามตามแขนขาเอ อ, อ น, น, นะมันมีเวทนาเกิดขึ้นเราเห็นเลยเวทนาเนี้เกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปนะดูอย่างนั้นเดินปัญญางงอีกอยากคิดมากคิดมากยากนาน รู้จักโกรธไหมรู้จกักโลภไหมรู้จกัจกดีใจเสียใจไหยเออความรู้สึกอะไรเกิดแล้วก็รู้เอานะถ้าไม่รู้ความรู้สึกก็เห็นร่างกายมันหายใจออกเนี่ยความอยากพูดเกิดเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าดูจิตนะมันอยากพูดปุดขึ้นมาเราก็รู้ทันเหมัอนก็คแค่นั้นเองไม่เห็นจะยากอะไรเลยดูไปดูไปปัญญามันก็เกิดเฮ้ยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตใจก็ทํางานได้เองไม่ใช่ตัวเราหรอก ธรรมดาธรรมดาแบบนี้แบบไม่ต้องมีจิตผู้รู้ก็ได้ใช่ไหมอะไรนะเรามาถึงที่หลวงพ่อบอกคือรู้ความรู้สึกที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยแต่เราไม่ไม่ต้องรู้ว่ามีจิตผู้รู้หรือว่าแยกคือมันจะเห็นว่าความรู้สึกมีคนดูอยู่คนหนึ่งนะเออมันจะแยกกันแต่ว่าถ้ายังแยกไม่ออกก็ช่างมันไปก่อนอ่ะหมดแล้วละได้เวลาเขาจะปิดตึกละทุกท่านนั่งท่ากราบพระคา่ะ อนุมพับเพียบนะคะเนื่องจากนั่งชิดกันมากเลยค่ะค่ะทุกท่านประนมมือค่ะในนามของชมรมธรรมปรีดาและทุกท่านนที่นี้ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อปราโมทปราโมชโชที่ได้เมตตาบรรยายธรรมในวันนี้ค่ะกราบกราบกราบในโอกาสนี้ขอเป็นตัวแทนทุกท่านกล่าวคำถวายทานค่ะทุกท่านประนมมือค่ะ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวา ย, วายเครื่องปัจจัยธยธรรมและสิ่งขอ ง, ง, ข อ, งอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แ ด, ด่พระอาจารย์ปรามโมทปราม โ, รโมทโชขอพระอาจารย์รได้โปรดรั บ, รรบเพื่อประโยชน์พชเพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ Look, yeah, mm ้นกาลนานเทินสาธุสาธุร mm. ับผ่อนหน่อยนะอย่าถาว่าริวหาปุราภริภุเรนตีสาคารังเอวเมวาอีโตทินังเปตานางอุปะกปติ อิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพภูรเรนตูสังกปาจันโูปันรสยถามณิโชติระโสยต า, า, ส, ยาสัภีติโยวิวัตชันตุสัพรโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคายยโกภวะ อาภิวาธนาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจ ต, ตารูธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง